วันนี้จะเทศธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าเป็นหัวใจของาศาสนาคําสอนทั้งหมดรวมรวมที่นี่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 ทำกิจให้ผ่องใสก็หัดสมาธินี่แหละหัดให้มันอยู่กับอารมณ์อันเดียวแมให้มันฟุงส่านแมให้มันส่งไปทางนั้นทางนี้ให้มีความรู้สึกเป็นหนึ่งอยู่ตลอด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 ให้เรารู้อยู่ตลอดรู้อะไรรู้ลมนั่นแหละรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนะ่ยิ่งเรามาสนใจมันมันยิ่งละเอียดเข้าไปสงบเข้าไปแน่วแน่เป็นหนึ่งเข้าไปเราก็คอยแก้ไขในส่วนที่มันไม่เรียบร้อย พอคอยดูคอยรู้คอยเห็นมันอยู่ยงั้นแหละเวลาความโลกเกิดขึ้นเราก็รู้ทันรู้ว่านี่เกิดขึ้นความโรคเกิดขึ้นแล้วหนอเวลาความโกรธเกิดขึ้นเราก็รู้ทันอีกเหมือนกันเพราะอะไรจึงทันเพราะสติสมาธิของเราแน่วแน่มัน่นคง เราก็รู้เท่ารู้ทั น, นเขาต้องฝึกฝึกเป็นประจำฝึอกอยู่ตลอดเวลาฝึอกอยู่เรื่อยๆนกว่าทําไม่หยุดใครจะว่าอะไรจะพูดอะไรจะส่งอะไรยังไง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 ให้คอยดูอย่างนั้นะมันไม่มีลมก็พิจนาอันที่ไม่มีลมนั่นแหละไว้ใจใแน่วแน่อย่างนั้นจิตเราก็วางน่ะ ว, วางลงไปเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านสงสายไปตามอารมณ์ต่างๆทั้งที่ดีและไม่ดีไม่ส่งตามทั้งนั้น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 พิจารณาส่วนไหนอะไรต่างๆมันแก้งชัดขึ้นมาในใจของเรานี่แหละเป็นอย่างนี้แหละถ้าใจมันผ่องใสแล้วมันก็สบายใจผ่องใสแล้วไปไหนกิเตอสังกิริเตสุขติปาติังขา กิจผ่องใสแล้วไปสู่สุขคติคำว่าสุขคติคือคติที่ดีตั้งแต่เป็นมนุษย์นี่แหละถึงเทวบุตรเทวดาอินพรมเรียกว่าสุขคติตลอดรวมถึงพระนิพพานนะสุขคติเหมือนกัน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 เพราะมันมีทั้งความดีและความชั่วไงเสียงดีและเสียงชั่วเสียงติสินิ น, นทาเสียงสารเสริญนยกย่องยกย่องสารเสรื่อนเราฟังไว้ทั้งเสียงติเสียงชมเสียงนินทาสรรเสริญมันเข้ามาหูของเราเนี่ยแหละ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 ให้ละความยึดมัน่นถือมัน่นตาเห็นแต่มันยึดถือพอยึดถือมันเป็นไงพอยึดถือก็เป็นทุกข์แลสิเป็นทุกข์แล้วมันดีหรือไม่ดีมันก็ไม่ดีเรามายึดไม่ถือไม่สําคัญมั่นหมาย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 เห็นแล้วมันต้องโกรธต้องรักต้องชอบต้องหลงอ่าเข้าไปติดอยู่ตรงนั้นแหละติดอยู่ตรงโกรธตรงโลภตรงหลงนั่นแหละราคะตัญหามานะทิฏฐิอุป ท, ท, ทานความยึดมั่นถือมั่นหลงเข้าไปติดบ่วงแห่งพยามาณแล้ว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 ไม่ให้ยึดไม่ให้ถือไม่ให้สคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราของเราพูดง่ายไม่มีตัวตนในกลิ่นเหล่านั้นเลยไม่ว่าหอมหรือหมินให้วางใจวางแค่เป็นกลางทิ้งอารมณ์เหล่านั้นทั้งหมดไม่ยึดไม่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 ทําังไรเราถึงจะวางได้ก็รู้เข้าไปถึงใจมันใจมันยึดอะไรมันยึดสุขมันยึดทุกสองอย่างเท่านั้นน่ะมันยึดสุกยึดทุกมันยังติดอยู่มันยังหลงอยู่มันยังเพลิดเพลินมัวเมาอยู่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 ไม่รู้ความเกิดความแก่ความเก็บ ค, ความตายว่าเป็นของเที่ยงความเกิดความแก่ความเก็บ ค, ความตายนี่มันให้เราเป็นทุกข์มานับพบนับชาติไม่ท้วนแล้วเกิดกี่พบกี่ชาติ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 พิญยายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิพพานายะจะเป็นไปเพื่อความดับสนิทของทุกทั้งปวงนั่นมันอยู่ที่ไหนละสิ่งเหล่านี้ล่ะมันอยู่ที่ตัวของเราไม่ใช่หรือพระนิพพานเรา่าอยู่บนฟ้าบน เหนือสวรรค์เหนือพอม่าโลกขึ้นไปอย่างนั้นอะไี่อันนั้นไม่เห็นความพู้ไม่เห็นความจริงพูดอย่างนั้นแหละผู้ไม่เห็นความจริงพูว่าสวรรค์พม่าโลกเหนือสวรรค์เหนือพอม่าโลกขึ้นไปก็คือพระนิพพานน่ะไม่ใช่ นิพานน่ะมันอยู่ที่เราไม่ยึดถือทันเองพอเราไม่ยึดถือปั๊บเราเห็นอนิพานทันทีถ้าเรายังยึดถืออยู่มันก็ไม่เห็นว่านิพานยึดถืออะไรอะยึดถือตัวถือตอนของเราเนี่ยแหละ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 แต่คำสอนของพระองค์ยังอยู่พระองค์ไม่ได้ตั้งพระมหากาัตณาปะไม่ได้ตั้งพระองค์นั้นองค์นี้ให้เป็นศาสดาแทนพระองค์ว่าทำวินยัยใดทำใดวินยัยใดที่เราะถาคตแสดงแล้วทำนั้นแหละวินัยนั้นแหละจะเป็นศาสดา ของพวกเธอทั้งหลายทมวินัยเด็กจะเป็นาศาสดาเรามาเห็นธรรมแล้วเรามารู้จักแล้วเรารู้จักธรรมเรารู้จักวินัย เ, เรารู้จักคำสอนพุทธเจ้าแล้วแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพานไปจากพวกเราแล้วก็ตามแต่ธรรมะ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 ในธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแล้วเนี่ยไม่มีข้อสงสัยถูกต้องมดถ้ายังมีข้อสงสัยอยู่ยังมีมีความไม่เก็บแจ้งอยู่มันก็ไม่ใช่สัพพัญญูสิไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะละสิผู้ตัดสู้ชอบเองด้วยพระ อ, องค์เองพระ อ, องค์รู้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 ให้รู้ให้เหตุตามเราปฏิบัติตามขนาดนี้เดี๋ยวนี้เราก็เห็นสุขอยู่ขนาดนี้เดี๋ยวนี้เหมือนกันเห็นในใจนั่นแหะใจเราสงบเราก็เห็นใจเรารู้แจ้งเห็นจริงในธาตุขันตัวตนพ่อก็สอนไม่หมดแล้ะ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 มันก็วางวางมดแล้วก็เออเป็นโซดาเป็นสกิทาคาเป็นอนาคาเป็นอรหันวางได้หมดมันก็เป็นพระอรหันถ้าวางไม่หมดยังยึดยังถืออยู่มันก็เป็นพระอรหัน์ไม่ได้ถึงแม้คนจะมาชมว่าอุย้ยท่านเป็นพระอรหันมันก็ไม่ใช่พระอรหันเออเป็นพระอรหัน์ไม่ได้ พระอรหันต์ไม่อยู่ที่คาชมคาติของคนมันอยู่ที่จิมมตบริสุทธ์ต่างหากิตบริสุทธ์ก็เป็นพระอรหันต์ท่านั้นพระอรหันต์ท่านถือว่าวิสุทธิเทพนี่พระอรหันต์เป็นวิสุทธิเทพพอได้บรรลุอรหันต์ปั๊บเท่านั้นแหละเป็นวิสุทธิเท พ, าลาาพทเลย ใครเป็นคนเป็นล่ะใครเป็นคนถึงล่ะเพราะเราเองถึงแล้วปล่อยแล้ววางแล้วมายึดมัน่นสำคัญหมายแล้วมันก็สบายสนิยืนอยู่มันก็สบายนั่งอยู่ก็สบายนอนอยู่ก็สบายกินอยู่ดื่มอยู่มันก็สบายเพราะอะไรจรึงสบายก็เพราะใจมันสบายแล้ว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 1. สอนให้ละความชั่วทางกายทางวาจาทางใจ 2. ส, สอนให้ทำความดีทางกายทางวาจาทางใจ 3. ทำใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสจากความโลภความโกรธความหลง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 ที่ดีที่สุดสำหรับการเกิดของเราเราได้มาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าเราได้มาปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าทําถูกต้องเราหนีทุกได้ถ้าทําไม่ถูกก็ยังหนีไม่ได้ถ้าทําถูกต้องเราหนีทุกได้เลยหนีทุกได้ชาตินี้ก็เป็นชาติสุดท้ายของเราชาติที่สองที่สามต่อไปอีกก็ไม่มี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 จิตเราก็บริสุทธิ์ขึ้นไปบริสุทธิ์ขึ้นไปบริสุทธิ์ขึ้นไปจนไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยเกี่แจ้งชัดเจนหมดในถาดในขันในตัวในตนละได้หมดวางได้หมดนี่แหละจึงจะเป็นพระ อ, อรหันต์ได้ ทาระไม่ได้วางไม่ได้เป็นพระอรหัน์ยังไม่ได้ทาระได้วางได้หมดนั่นแหละทุกมันไม่มีแล้วทางใจเพราะมันวางหมดเลยมันละได้หมดแล้วบางคนอาจจะถามว่าหลวงพ่อละได้หรื อ, อยังปัจจตังเนี่ย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 วังพานิพานคือความสุขอันสูงสุดที่เหล่านิพานังบาล้านวังสุขขังพานิพานเป็นสุขอย่างยิ่งจิตบริสุทธันแหละเดี๋ยวพอเข้าถึงพานิพานเล้วจิตถ้ายังไม่บริสุทธ์เข้าถึงพานิพานไม่ได้นี่แหละเทศน์ให้ฟังอย่างนี้ให้พิจารณา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 โกหกคนอื่นโกหกได้แต่โกหกใจของเราโกหกไม่ได้นี่แหละให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไปอย่าท้อถอย